ให้มันเป็นเนื้อหาที่มันคลายตัวมันเองนะ่อยู่เรื่อยๆเลยนะ <c oughs> เ, นเนื้อหาเดียวกันกับพุทธะอรหันต์พุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาทั้งหลายาหายรือว่าทั้งหมดของคุณรัตน์ตายแห่งความดับทุกข์แล้วก็การคลายทุกข์พ้นทุกข์อะไรเนี่ย ก็จากความที่ไม่ยึดติดในตนัวมันเองนี่แหละลูกทีนี้ก็จะไม่เหมือนกับปกติที่มันเป็นอยู่ของทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ชอบแช่ชอบซึมชอบทรงนะหรื อ, รอว่าชอบตกเพิกจับเพิกชอบก ร, รมนะในจิตในใจในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปกติแบบชีวิตสรรพสัตต์เนี่ยมันจะคนละอย่างกันกับการที่มันคลายทุกพ้นทุกจริงๆนะตามเนื้อหาแห่งคุณรัตนไตายนี้มันจะไม่ใช่แบบที่เป็นปกติของทุกๆคนที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาอีกต่อไปเรียกว่าคลายออกเป็นปกติของรู้ของทุกคนเนี่ย ที่โมแต่รู้ไม่รู้รู้ไม่รูร้รู้ไม่รู้แช่ซึมทรงตึงหนักเหนียวแน่นจึงจ้องต้องตั้งซอนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นอะไรเนี่ยเรียกว่าพละวันกับการรู้การเห็นผูกพันบวพัาสนิทสนมกับรู้กับเห็นกับสภาวะลักษณะจิต ท, ทั้งหลายอยู่เป็นปกติเนี่ยสุขสุขเดิบเดิบอยู่กับสภาวะจิตอยู่เนืองๆอย่างนี้เรียกว่าให้คลายออกทั้งหมดเลยจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหลาย น, นี่ไม่ต้องมาห่วงแล้วที่จะมาทำจิตแบบนั้นแบบนี้ให้มันเป็นกรารซ้อนจิตเหมือนแต่เก่าก่อนอีกเนี่ยคลายอย่างเดียวเลยแบบไม่อยู่แล้วแบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเลยนี่ลูกไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องรู้ไม่รู้ซะก่อนเห็นไม่เห็นซะก่อนคิดไม่คิดซะก่อนไม่ต้องไปห่วงของพวกนั้นไม่ต้องไปห่วงจิตลักษณะนั้น ให้คลายไปเลยโดยที่ไม่อยู่แล้วเลยลูกเนี่ยก่อนที่จะไปรู้สิ ก, ก่อนที่จะไปเห็นก่อนที่จะไปงงไว้กับอะไรอะไรเนีสิอีกเนี่ยให้คลายก่อนเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยลูกจะได้ฉับพันฉับพันคลายฉับพันคลายฉับพัน แล้วทีนี้เนี่ยเมื่ออุปโลกใช้รู้ใช้เห็นใช้จิตใช้นึกใช้คิดเนี่ยจะได้ใช้แบบแผ่วเบาใช้แบบพอดีพอดีไม่ใช่ใช้แบบหลงยึดไม่ใช่ใช้แบบหลงเหนียวแน่นไม่ใช่ใช้แบบหลงจริงหลงจังซะจนทุกจังทุกจริงจะได้ใช้แบบพอดีพอดีเรียกว่าแค่ใสยกายแค่ใสยจิตจริงๆ ในฐานะอาศัยเรยกว่าแค่อาศัยแต่ไม่ใช่ความหลงติดนั่นเองไม่ใช่ความหลงยึดนั่นเองเรียกว่าแบบไม่หลงแบบอรหันเจ้าแบบอริเจ้าทั้งหลายเรียกว่าใช้กายใช้จิตแบบไม่ใช่หลงกายหลงจิตเนี่ยเรียกว่าคลายออกเป็นจากการยึดเกาะแล้วก็ความเหนียวแน่นนะ ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนตะก่าก่อนอีกต่อไปพระอรหันต์เจ้าก็ใช้กายใช้จิตเหมือนกันอริยเจ้าทสองก็ใช้กายใช้จิตเหมือนกันแต่มันไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนกับบุชนทั่วไป แลวกาแค่อาศัยใช้กายใช้จิตแบบพอดีพอดีแบบเยยบโยนเยียบคายใช้แล้วก็แล้วแล้วไปไม่หลงจริงจังเพราะไม่ได้ยึดเหนี่ยวเลยฐานะของกายของจิตคืออยู่ในฐานะไหนหรืออยู่ในฐานะแค่อาศัยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ได้อยู่ในฐานะจับจองเป็นเจ้าของ อุปทานตันหาไม่จะอยู่ในฐานะที่จะเข้าไปผูกพันไหมามั่นยึดติดเอาเป็นจริงเป็นจังอยู่แค่ฐานะของการอาศัยเท่านั้นดูตอนนั้นก็ต้องหมายความว่าคลายเป็นนั่นแหะไม่อะไรกับอะไรกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากายสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยนึอคิดอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยไม่อะไรกับอะไรกับสิ่งเหล่านี้เป็นคลายจากสิ่งนี้เป็นเนี่ย คนที่คลายจากอารมณ์เป็นมันก็ไม่หลงอารมณ์คลายจากความนึกคิดปรุงแต่งเป็นมันก็ไม่หลงความนึกคิดปุงแตง่งแต่คลายอยากเห็นเป็นคลายอยากรู้เป็นนะมันก็ไม่หลงรู้ไม่หลงเห็นมันก็แค่นี้แหละบทสรุปของวิปัสสนาทั้งหลายก็แค่ไม่ยึดไม่ติดแ่สละให้เป็นคลายให้เป็นแล้วแล้วไปให้เป็นให้มันฉับพันป้องไวไม่ใช่ประเด็บ ไปปฏิบัติเอาไอ้นั่นมันไม่ใช่วิปัสนาหรอกมันจะหนาไปเรื่อยปฏิบัติเอาไปเจริญสติเอานั่งสมาธิเอาเจริญปัญญาเอาอย่างนี้มันไม่ใช่วิปัสนามันจะหนาไปเรื่อยวิปัสนาไปเรื่อยมันเอาตลอดเวลามันคลายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่นะให้ปลงให้คลายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไปทําเอาอะไรใ ห, หม่ขึ้นมาอีกคลายจากทุกข์ที่มีอยู่แล้วนี้ คลายจากความหลงยึดติดจำเจซ้ำซา ก, กับกายกับจิตกับรูก้กับเห็นกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีอยู่แล้วนี้ไม่ใช่ไปทําเอาขึ้นมาใหม่แค่ปล ong แค่วางแค่คลายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้แห่งกายแห่งจิตเท่านั้นลูกปิปสนาเนี่ยมันก็คือทั้งหมดของการปล ong การวางสิ่งที่มันมีอยู่แห่งรู้แห่งเห็นแห่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่เองแห่งกายแห่งจิตนี่เอง ไม่ใช่ไปหลงปฏิบัติเอาอย่างที่คิดกันอย่างที่ความละโมบลโลภมากอย่างที่ความอยากมันชวนไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่คือยุติความโลภความอยากซะเองมันก็จะจบแบบง่ายๆเรา ว, วิปัสสนาเนี่ยนะไม่ต้องลากยาวไปซะจนหนาไปข้างหน้าเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสสนา มันหนาเพราะอะไรลูกมันไม่ใช่วิปัสนาแค่แต่มันเป็นวิปัสนามันหนาเพราะอะไรหนาเพราะว่ามันเริ่มต้นในการตั้งเอาในปฏิบัติเอาทําเอาอันนั้นแหละมันเป็นโลกิยะธรรมทั้งหมดเลยเพราะมันเริ่มต้นด้วยความโลภด้วยความอยากความต้องการแทนที่มันจะยุติความโลภความอยากความต้องการซะเองแต่มันเอาความอยากความต้องการความโลภไปแลกเอาทำทั้งหลายเนี่ยไปเจริญเอาทำทั้งหลายเนี่ยมันหนาตั้งแต่เริ่มเลยอย่างนั้นเนี่ย แต่รู้ไหมว่ามันหนามาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นหนาทำไมอีกก็ให้ปลงเลยให้คลายออกอย่างเดียวเหมือนกับดอกไม้ที่มันบานไปเรื่อยๆเนี่ยลูกเราก็ไม่อะไรกับอะไรอยู่เรื่อยๆนี่แหละก็คลายออกเรื่อยๆจากสิ่งที่มายึดอยู่เกาะอยู่เป็นปกติของทุกชีวิตจุวินทรียนี้ ไม่ต้องไปห่วงแ ร, ร้วรู้ไม่รู้ซะ ก, ก่อนเห็นไม่เห็นเข้าใจไม่เข้าใจซะ ก, ก่อนนี่นั่นมันเป็นกรรมและสัยที่มันวกวนมาอยู่แล้วเนี่ยให้คลายเลยลูกคลายออกจากสิ่งที่จำเจนี้เลยไม่ต้องมาโมวลําบากทุกยากกัเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจมันก็คลายออกเลยไม่อะไรกับอะไรอะไรเรียกว่าหมดภาระทางปาัญญาแต่ถ้าคิดว่าจะบําเพ็ญเอาปัญญาก็เรียกว่าเป็นภาระในการจะต้องแบกปัญญาต่อไป จากตัวเอานั้นนะ่ะให้ตัดเลยไม่ต้องห่วงเอาเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ไปเลรลูกไม่ต้องไปห่วงเลยตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะอัจฉรยะขึ้นมาเองยิ่งไม่ติดไม่ขาดไม่ข้องไม่คากับภาวะจิตจที่ไหนไหนนี่อัจฉรยะขึ้นมาเองหมดเลยอัจฉรยะขึ้นมาเองหมด จุดบอดของโลกที่เชื่องช้าแล้วก็ง่มง่ามที่สุดก็คืออะไรอะ่ะรู้ไหมจะพูดถึงตัวรู้ก็ย้ำรู้อีกก็ตรงที่คอยรู้ซะก่อนคอยเห็นซะก่อนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไม่ว่าในตัวเองหรือในสรรพสิ่งคอยย้ำรู้ย้ำเห็นหลงรู้หลงเห็นซะก่อนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเนี่ยมันจุดบอดแล้วค่อยไปปล่อยค่อยไปวางอันนี้มันช้ามาก มันเหมือนว่าต้องไปอนุโลมปฏิลอมให้กับกรรมหรือสายของการหลงรู้หลงเห็นซะก่อนอยู่เรื่อยเลยแล้วค่อยไปตัดสินใจว่าจะวางอะไรไม่วางอะไรไอ้อยางนี้มันก็เรียกว่า ง, งุ่มง่ามที่สุดลูกก็ไหม้ไปเลยสินะไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างอะไรไปเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยลูกคลายก่อนที่จะไปหลงรู้สิกเนี่ย มัหลงรู้หล ง, ลงเห็นหลงนึกหลงคิดหลงความรู้สึกหลงอารมณ์กันมาอยู่แล้วเนี่ยโทสะราคะนั่นนี่อะไรต่างๆพยาบาทอาฆาตาคตีอยติมันหลงกันมาอยู่แล้วเน่ะเราไม่ต้องหลงซักก่อนอีกเพราะมันหลงกันมามากมาอยู่แล้วแล้วก็ไม้ไปเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเรียกว่าคลายออกฉับพันฉับพันน่สะสละฉับพันน่ะเนี่ย อย่าสักก่อนสิไม่ต้องสักก่อนสักหลังแล้วก็ฉับพันเลยลูวก็ไหมไปเลยจิตก็ไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยเลยเนี่ยนะเรียกว่าสละฉับพันคลายออกฉับพันจากสภาวะจิตจากการที่จะงุ่มง่ามเสื่องซึมเชื่องช้าสัก่อนนี้ยังเตือนนี้ก็ตื่นแบบไม่อะไรกับลายก็บอกแล้วมันก็ตื่นเองอ่ะไอแบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยคือจิตมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะ เวลามันตื่นมันก็ตื่นแบบไม่อะไรกับอะไรอย่างไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ไอจิตรู้มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็จะได้รู้แบบไม่อะไรกับอะไรรู้แบบเบาบางรู้แบบไม่มีภาระรู้แบบไม่เป็นกิเลสในการรู้เรียกว่าเนื้อหาที่ตัดสั้นนะรู้แบบไม่มีกิเลสในการรู้อ่ะรู้แบบไม่มีอัตตาตัวตนในการรู้อ่ะไอแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยถึงจะรู้ก็รู้แบบสัมผัสผ่ารู้แบบแล้วแล้วไปเรียกว่าไม่ประจันบาล ไม่ผัสสะไม่กระทบไม่ชนไม่ใช่แบบปุถุชนไอ้แบบปุถุชนนี่มันตั้งรู้อย่างเดียวอ่ะจ้องรู้ตั้งรู้จดจอ่อู้คอยรู้มันแบบชนไงรู้ไปกระทบรู้ไปกระทบรู้ไปกระทบเนะี่ยถ้าตั้งเอาไว้มากกระทบก็รุนแรงเรียกว่าผัสสะรุนแรงก็ก่อเกิดไปล้อมปุ่มแตง่งขึ้นมายอบย้อมจิตอีกมากมายอันนี้ไหมเลยลูาก็ไหมไปเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยเราก็ไหมอยู่แล้วไม่ต้องแบบไหนอย่างไรอยู่แล้วเหมือนกับมันคลายอยู่แล้วตลอดเนี่ย เรียกว่าเนื้อหาระยะดอกบัวแห่งดวงใจนี้ก็บานอยู่ตลอดเนี่ยลูกก็พร้อมที่จะล่วงลอยไปทุกกลีบดอกช่อหมากเม็ดพันเกสรกสอนจนก็เรียกคลายจนมันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วจริงๆเรียกว่าไม่หุบไม่บานอีกต่อไปเรียกว่าไลรอยู่แล้วเนี่ยวางอยู่แล้วว่างอยู่แล้วโดยนิพพานอยู่แล้วทันทีอย่างนี้บทสรุปของที่พัสนา รองในตัวมันเองวางในตัวมันเองคลายในตัวมันเองไม่ใช่ไปทําเอาถ้าทําเอาเนี่ยปฏิบัติเอาเนี่ยเป็นวิปัสสนาหมดแล้วเดี๋ยวจะแถมด้วยอามาพึกเอามาพาดอาจจะแถมในล่อเครียดแล้วเดี๋ยวจะแถมด้วยประสาทหลอน เจอนิมิ t หลอนเจอมโนภาพหลอนเจอเสียงหลอนก็มันไม่ปล่อยไม่คลายจากรู้เนี่ยมันไปเจริญเอาในตัวรู้รู้เอาเอารู้รู้เอาเอารู้เจริญรู้เอาการเจริญในรู้อย่างนี้เดี๋ยวก็หลอนอย่างนี้มันจะทำให้ไม่สามารถจะรู้แล้วแล้วไปได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถจะแล้วแล้วไปกับการรู้หรือรู้แล้วแล้วไปได้เลย รู้อะไรต้องงงสะ ก, ก่อนรู้อะไรก็ต้องสงสัยสะ ก, ก่อนรู้อะไรต้องคิดมากสั ก, ก่อนไอ้อย่างนี้เดี๋ยวก็โดนหลอกเดี๋ยวก็โดนหลอนอยู่ข้างในรู้แล้วชอบตีความรู้แล้วชอบให้ความหมายเรู้แบบไม่ตัดสั้นรู้แบบไม่ตัดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรู้ชนิดหลงปุงหลงแต่งในรู้ตลอดเลยเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนหลอกเดี๋ยวก็เป็นโรคประสาทเดี๋ยวก็หลอนแค่เจอเสียงกระซิบทิพในภายในเข้ามามันก็หลอนแล้ว โดนหลอกตามเสียงเจอมโนภาพเข้ามาในจิตในวิญญาณรับรู้ได้เอาละโดนหลอกโดนหลอลเนเ่ยตามตามรู้ตามเห็นตามเสียงกระซิบล่ะ น, นี่จะเป็นกันเยอะมากเลยพวกวิปัสสนาเนี่ยปฏิบัติเอาทาเอาเนี่ยมันจะเจอสภาพหลอนในภายในอยู่เรื่อยในที่สุดแล้วเนี่ย นั่นละวิปัสนาแล้วมันไมใช่วิปัสนาวิปัสนานี่คือตัดเลยประชับพันธ์องโบธาเทศนะประทานจะทําให้ในแต่ละครั้งคราวเนี่กับบรรลุเฉพาะหน้าบรรลุเฉพาะหน้านะวางเดี๋ยวนี้ปรองเดี๋ยวนี้คลายออกเดี๋ยวนี้เลยเลวลาฟังแต่ละวันเวลาแต่ละครั้งแต่ละคราวสาวกทั้งหลายพุทธบริสุทธ์ทั้งหลายฟังแล้วไม่ได้เป็นภาระไปวันข้างหน้าหรอกคลายฉับพันธลุฉับพันธ์ เพราะว่าท่านไม่ได้สอนให้ตั้งเอาทําเอาเนี่ยแต่สอนให้ปรองให้วางในปัจจุบันนั้นเองลูกจึงมีผู้ที่พ้นทุกข์เฉพาะหน้าฉับพันไปทุกวี่ทุกวันที่ทรงดำหลัดตัดสแสดงธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทําเอานะเพราะท่านเองก็ทําเอามาตั้งห้าหกปีแต่ไม่รู้ว่าทุกข์อ่ะจนเลิกความเพียรจนปัญญวคีทั้งหลายนี่ก็ตําหนิท่านเลยว่าอะไรสมณะโคดมเลิกความเพียรแล้วเนี่ยคงจะสิ้นหวังแล้วเนี่ย ก็เลยพากันแยกย้ายจากท่านไปหมดท่านก็เห็นแล้วว่าทำเอาเนี่ยมันไม่บรรลุอยู่แล้วเนี่ยก็มานั่งปล่อยผ่อนคลายสบายๆอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยนะรู้ ก, นะ ก, รก็ทำงานเองนะการพิจารณาก็ทำงานเองอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนกรั่งตัดเข้าสู่เนื้อหาของการตัดสรุปไปเองวางไปเองเรื่อยๆเลยโดยบทสรุปคาสอนกับสัาสั์นี่พูดทีไรก็คลายตามกันทุกที ให้โป่งก็ปง่งให้วางก็วางอ่ะบอกไม่ใช่สิ่งยึดติดเขาก็ไม่ยึดติดนะเขาปล่อยเขาก็โปง่งก็วางก็คลายกันตามไปอย่างนี้เรียกว่าบรรลุตามมากมายมหาศาลมันไม่ใช่การทําเอาการทําเอานี้ได้พิสูจน์มาแล้วอะทุกทิ้งไปเฉยจิตตะกิล่ามฐานโยกอัตตะกิล่ามฐานโยกอ่ะในการที่เริ่มต้นในการจะรู้เอาเนี่ยเอารู้เนี่ยก็เริ่มทุกทันทีในรู้นั้นคิดเอาเอาคิด เข้าใจเอาเอาความเข้าใจก็เริ่มทุกข์ในตัวเอาความเข้าใจนั่นแหละลูกมันไม่ได้ปลงนี่ไม่ได้วางนี่ไอ้หลุนหลังก็มาสอนแต่เรื่องวิปัสสนากันตลอดมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาของจริงยิ่งปฏิบัติเอามามากอีกก็ยิ่งจัดขึ้นมานะในการปฏิบัติก็ยิ่งมากขึ้นปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีอะไรปฏิบัติเข้มปฏิบัติไม่เข้มอะไรสรุปแล้วมันก็คือการหลงตั้งเอาทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ได้ปองเลยไม่แต่น้อย มันเลยทําให้เกิดการแยกในคนวัดคนบ้านมากขึ้นไงออยู่บ้านปฏิบัติลําบากอยู่ใครบอกว่าอยู่วัดแล้วปฏิบัติสบายถ้ามันหลงตั้งเอามันก็มันก็ลําบากทุกคนแหละอยู่วัดก็เหมือนกันเป็นนักบวชก็เหมือนกันเป็นคารวา่าปฏิบัติลําบากถ้าสอนให้เขาตั้งเอาทําเอามันก็ลําบากด้ว ถ่ายเขาไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆใช้ภาษาที <th reat anything> ่ม right? ันง่ายๆหน่อยสุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างใช้ภาษาสอนเขามันงง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรอะยากบ้างง่ายบ้างก็ช่างไปอย่างนี้เป็นต้นเอออย่างเงี้ยเขาปองใจวางจะวิปัสสนาในบ้านก็ได้หมดน่ะวิปัสสนาในวัดก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการตัดใจการปองใจเท่านั้นแหละการวางใจเท่านั้นนั่นแหละบทสรุปของวิปัสสนา สอนให้มันตรงบอกกล่าวมันตรงท่านอยู่ในบ้านอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็วิปัสนาได้หมดแหละไม่ใช่ไปทําเอายากก็ช่างง่ายก็ช่างสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่างนี้เป็นต้นใช้สื่อใช้ภาษามันง่ายๆเขาก็ปรองได้วางได้แต่ลักษณะจิตเดี๋ยวนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะคนวัดคนบ้านบวชหรือไม่ได้บวชมันได้หมดพ้นทุกได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่คนสอนนี่แหละจะสอนให้เอาแล้วสอนให้ปรอง ถ้าสอนให้เอาก็ต้องทุกกันไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นหรอกพอทางโลกก็เอาอยู่แล้วทางธรรมจะเข้ามาหลงเอาอีกมันก็เหมือนก็เปลี่ยนที่หลงไม่เอาทางโลกแต่จะมาเอาทางธรรมมันก็เปลี่ยนที่เอาอ่ไอ้ตัวเอาตัวเดิมที่พาทุกข์เนี่ยให้ปลองให้วางไปเรื่อยๆเพราะมันทุกข์เพราะตัวหลงตั้งเอาธรรมเอากันอยู่แล้วไงชาวโลกทั้งหลายเป็นปกติตั้งแต่เอารู้เอาเห็นเอานึกเอาคิดตามข้านิยมคตินิยมสังคมกล่าวว่า ให้เจริญเอาให้ปฏิบัติเอาในสติสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญามันเริ่มต้นด้วยตัวตั้งเอาแบบโลกนิยมสังคมในยุคลงหลังเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีใครปร่งเลยไม่มีใครปร่งในสิ่งที่มีอยู่แล้วเลยไม่มีใครวางหรือลคลายออกจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแห่งกายแห่งจิตนี้เลย แล้ว ก, ก็กลายเป็นการงดการเว้นของจริงขึ้นมากลายเป็นการสละละวางของจริงขึ้นมากลายเป็นอธิศินแห่งอริยะของจริงขึ้นมาเนี่ยจากการปองการวางจากการงดการเว้นเนี่ยนะมันหายากที่จะสอนให้มันตรงตัวเนื้อหาของจริงอะ่ะนอกนั้นก็สอนให้ทำเอาหมดสินก็รักษาเอาสติสมาธิ ป, ปัญญาก็บำเพ็ญเอาทำเอา เริ่มต้นเด็กิเลตเอาธรรมแล้วมันจะกลายเป็นธรรมบริสุทธิ์ได้ยังไงอัตาไปเอาธรรมเนี่ยโมหาไปเอาธรรมเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วของพุทธองค์ท่านหรืออริยะสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นใน ก, การทำเอาก็คือหมายถึงปร o n เลยอเริ่มก็เริ่มปล o n ปล o n ในใ น, ในสิ่งที่มีอยู่นี้เลย ให้เริ่มช่างเลยให้ปล่อยเลยให้ไม่อะไรกับอะไรเลยให้คลายออกเลยจากความเคยชินทางจิตทางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี้ในแต่ละขณะจิตในแต่ละขณะวันเวลานี้ที่มันจะปรากฏเป็นสภาพของจิตแบบไหนบ้างอารมณ์แบบไหนบ้างนะนึกคิดปรุงแต่งแบบไหนบ้างกิเลสแบบไหนบ้างเนี่ยให้คลายจากสิ่งนี้เท่านั้น ไม่อะไรกับอะไรอยู่เรื่อยๆเลยเรียกว่าคลายออกอยู่เรื่อยๆไม่ว่ากิเลสจะมาหน้าไหนอารมณ์จริตนิสัยมันจะมาอย่างไรในแต่ละขณะจิตปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตแต่ละวันมันงมีความแตกต่างกันในลักษณะแห่งวิบากจริตวิบากกรรมเนี่ยจะต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกนึกคิดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยในแต่ละวันเวนาลาเนี่ยให้คลายออกจากสิ่งนี้เลยคือไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรกับมันอีกเนี่ยหรือให้ใหช่างเลยเนี่ย จะจิตแบบไหนก็ช่างเลยเนี่ยคลายออกอย่างเดียวก็จะทั้งหมดของวิปั ส, สนาทันทีหรือว่าในบทสรุปของเนื้อแท้แห่งวิปั ส, สนาทันทีอันนี้ก็จะเหมือนกับการที่มันได้เบาจากสิ่งที่หนักอยู่แล้วคลายออกหรือว่าการวดเว้นจากสิ่งที่มันหลงเกาะอยู่หลงยึดอยู่ในในการในจิตนี้แล้วนั่นแหละจะเป็นศีลของจริง การงดเว้นจากกิเลตเนี่ยไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือหรือในตำราหรือในอะไรอะไรที่ไหนการงดเว้นจากการก่อเกี่ยวเหนี่ยวล้างในจิตในลามเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นศีลของจริงศีลแห่งอริยะศีลที่พ้นทุกข์ไม่ใช่ศีลแบบนรกสวรรค์แต่มันเป็นศีลอริยะแล้วก็เป็นสติชนิดตัดของจริงเรียกว่าสติอริยะไม่ใช่สติแบบปุถชนที่ต้องทองรู้ทรงเห็นเฝ้ารู้เฝ้าเห็น กลัจะขาดสติอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นเรียกว่าสติอโลกิยะทั้งหมดอันนี้ตัดเลยเนี่ยมันเป็นชนิดตัดเลยเนี่ยไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องคอยอย่างไรเลยในจิตในใจนี้ในอารมณ์ความรู้สึกในคิดนี้เนะีนะ่ยก็ไม่ไปเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยเรื่อยๆเล ย, เ ล, ย, เ ล, ยลูกอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็นสติสมาธิปัญญาชนิดตัดอยู่เรื่อยๆแบบฉับพลันแบบไม่งุ่มง่าม มันเป็นเนื้อหาของการตัดสรุ้ของจริงไงลูกมันตัดเน่ะมันไม่ติดเนี่ยไอ้ไมมอะไรกับอะไรเนี่ยคือมันไม่ติดเนี่ยคือไม่ต้องมาห่วงติดสติติดสมรติติดปัญญาเพราะว่าตั้งท่าจะเอาในสิ่งที่กล่าวนี้เนี่ยนะให้ไหมไปเลยลูกไม่ต้องรอว่าจะต้องแบบไหนซะก่อนต้องอย่างไรซะก่อนต้องรู้ไม่รู้ต้องเข้าใจไม่เข้าใจซะก่อนไม่ต้องรอลูกก็ไม่กับ ไม่ไปเรื่อยๆไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันหลงรู้อยู่แล้วยังไงมันก็หลงคอยรู้หลงคอยเข้าใจหลงคอยอะไรๆเพราะมันอยู่แล้วเนี่ยลูกก็ไม่ไปเลยไม่ต้องไปต้องรู้ซะ ก, ก่อนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจซะ ก, ก่อนอีกหรอกคลายก่อนที่จะไปซ้าเติมในการหลงยึดจิตนะคลายก่อนเลยลูกนะไม่ต้องไปห่วงที่จะไปตอกย้มซ้าเติมขนาดจิตเดิมๆอีก ไม่ไปเลยลูกไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆเลยอยู่เรื่อยๆเลยเท่านั้นแหละแล้วก็จะเบาไปหน้าเรื่อยเบาเรื่อยไอให้ดอกไม้ในดวงใจของแต่ละดวงก็จะบานออกบานออกคลายออกคลายออกนะไปเรื่อยๆเข้าเนี่ยมันก็ทั้งหมดวิปัสสนานั่นแหละลูกปล o n วางตัดไม่ใช่ไปสอนให้จเจริญเอาทําเอา ถ้าเริ่มตน้นในตัวเอานี่มันก็แหม่พวกนี้นี่มันญาติชัวโชคหมดแล้วนี่อาจจะเก่งกว่าชชวโชะให้ไหมอะไรลูกเนะี่ยมันจะได้ตัดก่อนที่จะไปหลงรู้อีกจิตก็หมายถึงไหมเลยนะมันก็ได้คลายก่อนที่จะไปหลงรู้หลงเห็นอีก คลายก่อนแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปหลงซ้ําเติมรู้เห็นอีกเนี่ยเวลารู้เวลาเห็นจะได้แผ่วเบาไม่ใช่พุ่งเพ่งเพ่งรู้เพ่งเห็นซะจนน่กระทบไปหมดเลยชนไปหมดเพ่งรู้เพ่งเห็นเข้าไปในลมก็จมามลงง่ายได้เพ่านไปเร็วไปแรงของหนักไงหมด เ, เพ่งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในลวกก็ไป ชนหมดในรูปเสียงกี่เราสัมผัสอะไรก็กระทบหมดเลยเนี่ยแพ่งรู้ซะจนเพ่งเห็นซะจนไปกระทบหมดไปปรุงแต่งหมดเลยกระทบแล้วปรุงแต่งกระทบแล้วปรุงแต่งกระทบแล้วปรุงแต่งๆๆไป้หมดเรียกว่าทุกตลอดผัสสะทุกตลอดแห่งการเพ่งรู้เพ่งเห็นเราเรียกว่ามันรู้มันเห็นแบบหลงมันคลายไปด้วย แต่นั้นไม่ต้องเมาห่วงว่าต้องเห็นอะไรต้องเข้าใจอะไรรู้ไม่รู้อะไรซะก่อนคิดไม่คิดอะไรซะก่อนเลยนั่นนี่อะไรก็ไม่เลยไม่อะไรกับอะไรเรื่อยๆเลยก็ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเนี่ยเป็นบทสรุปทางปัญญาให้อยู่แล้วจะได้ฉับพันจะเลิกงุ่มง่ามทั้งทีแก่จนป่านี้แล้วบางทีก็ไม่ไหวตั้งแต่อยุนน้อยนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยจะไปภูมิไหนก็ไม่รู้ ไม่ต้องมีห่วงแล้วนะอยู่วัดอยู่บ้านตอนนี้จะบวช ห, หรือไม่ได้บวชเนี่ยคือตรงตรงต่อเนื้อหาที่ปองที่วางในจ principe, ิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตก็ไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็บวชในจิตในใจเรียบร้อยไปแล้วน่ะไม่ต้องมาห่วงเราจะอยู่ในรูปแบบนักบวชหรือไม่อยู่ในรูปแบบนักบวชเลยอยู่วัดหรืออยู่บ้านวิปัสสนาได้หมดเนมันก็แค่ปองแค่วางในจิตในใจที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเข้าลูกก็แค่ไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆเข้า ไม่ได้บ so so ้างไม่ไม่ได işte> ้บ้างก็ไม่ไปเรื่อยๆเข้าปรองได้บ้างโปร่งไม่ได้บ้างก็โปร่งไปเรื่อยๆเข้ามันก็ปรองได้เองช่างได้บ้างช่างไม่ได้บ้างมันก็ช่างไปเรื่อยๆเข้าในจิตในใจในรูปมันก็ช่างได้เองะไม่มีหน้าที่บ่นไม่มีหน้าที่บ่นกับตัวเองวางได้วางไม่ได้ไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปประเมินก็เรื่อยๆเข้า ไม่อะไรกับอะไรอยู่เรื่อยๆเข้าไม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรเนี่ยลูกไม่อะไรกับอะไรเนี่ยลูกตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างมันก็ตัดเข้ามันอยู่เรื่อยๆเองเนี่ยวางได้บ้างวางไม่ได้บ้างก็วางเข้ามันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็วางได้เองะลูกคล้ายได้เอง แต่อย่าให้งุ่มงามอย่ามัวแต่เป็นขนาดจิตอยู่อย่ามัวแต่สะก่อนอะไรดูสะก่อนเห็นสะก่อนรู้สะก่อนไม่เลยไม่เลยไม่อะไรกับอะไรตรงตรงตอที่มันไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วไปเลยนั่นแหละเรียกว่าคลายเลยลูกคลายเลย คลายออกเลยจากการเหนียวแน่นการนอนเนืองกับสภาวะจิตทั้งหลายคลายออกเลยน่แหละแล้วก็จะเบาบางให้เรื่อยๆ เ, เองทุกสิ่งทุกอย่างนะลูก ไม่ต้องห่วงแล้วความนึกความคิดความเห็นความหมายไอ้สติสมาธิปัญญายอย่างโลกๆเนี่ยมันเยอะกันอยู่แล้วในจิตของสรัพสัตทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเนี่ยแต่มันคลายไม่เป็นนี่แหละแต่นั้นไม่ต้องไปห่วงเจริญมิหรอกลุก้ยค ล, ลายไปเรื่อยๆลูกปองไปเรื่อยช่างไปเรื่อยไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยไม่ว่าจะจิตดีไม่ดีก็ช่างไปเรื่อยมันจะได้คลายออกจากทั้งจิตกุศลจิตอกุศลเนี่ยมันเป็นจิตประเภทกรรมท่านั้นแหละจิตกุศลก็ จตชนิดกรรมจิตอากุศลก็จิตชนิดกรรมนะเนี่ยอย่าไปเสียดายกรรมตัดกรรมก็ช่างไปเรื่อยๆนี่แหละลูกเรียกว่าตัดจริตกรรมไม่ต้องโม่งเอาจิตชนิดไหนหรอกนี่เรียกว่าคลายจากจิตไม่ก่อจิตไม่ยึดในสภาวจิตเรียกว่าวิปัสนาจิตลองจิตวางจิต แต่ถ้าไปฝึกจิตเอาทำจิตเอาเนี่ยยังไงก็หนาหมดลงวิปัสนาหมดแหละช่วยโลกไม่ได้แล้วช่วยสังสวัส์ไม่ได้ช่วยสรรพสารให้พ้นทุกข์จับพันุไม่ได้หร้ถ้าไปอย่างนั้นแล้วของจริงๆมันต้องสามารถปรงไขรปรงมันได้วางไขวางมันได้นะ ตรงจิตของใครของมันได้คลายจากจิตของใครของมันได้ไม่ใช่ไปหลงทำเอามันก็คนที่ไปหลงหาของอะไรไม่ใช่อนชาปพันเลยเราไม่ของใครของมันไปไม่อะไรกับอะไรของใครของมันไปสิไม่อะไรกับอะไรใครมันไปสิ อย่าห่วงมันจะมีห่วงตั้งแต่ตัววิญญาณขันเป็นต้นไปคือห่วงรู้เนี่ยมัวแต่คากำหนดรู้กันอยู่ได้มันก็หลงรู้กันอยู่แล้วรู้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็หลงรู้กันอยู่แล้วยังไปฝึกตั้งเอาในรู้อีกอย่างเงี้ยรู้ต่อเนื่องรู้ไว้ทันมันจะอะไรกันนักหนาล่ะมันแค่อาศัยชั่วคราวไอ้วิญญาณเนี้ยการสัมผัสรู้เนี่ย ใช้แล้วก็หัดแล้วแล้วไปวางจักรู้ให้ได้บ้างนี่ยจะรู้อะไรกันนักหนาล่ะมันแค่สายชั่วคราวเท่าที่จําเป็นเท่า น, นั้นแหละลูกแต่ไม่ใช่จะไปตั้งเอามันอีกไอ้เยรู้เนี่ยเห็นเนี่ยนะเห็นนี่แค่สายเห็นชั่วคราวเห็นแล้วก็แล้ ว, ลวไปรู้แล้วก็แล้วไปเหมือนกัน ไม่ใช่ไปฝึกเอารู้เอาเห็นดูต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องไอ้แบบนี้มันก็หลงต่อเนื่อง่ะมันไม่ใช่แค่อาใสแล้วแต่มันกลายเป็นยึดจริงยึดจังในรู้ในเห็นมันก็เลยไม่ได้ปรงในวิญญาณขันไม่ได้ปรงในวิญญาณธาตุเนี่ยหนึ่งในขันห้าเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยองค์พุทธะไม่สอนแล้วให้เหลือขันหนึ่งขันใดเอาไว้เนี่ยปองก็ปองหมดทุกขันนี่แหละแลจิตทุลษณะนี่ปรงก็ปงหมดคลายก็คลายหมดแหละ ไม่ได้ไปฝึกเอาขันไหนแม้แต่ตัวรู้เรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยนะการู้เนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยก็ไม่ใช่ไปฝึกเอาถ้าไปฝึกเอาในตัวรู้ในวิญญาณขันนี้มันก็ไม่ตัดสูด้หรอกมันมีแต่ติดรู้เพราะอะไรเพราะมันหลงติดกันอยู่แล้วหลงรู้กันอยู่แล้วไปฝึกเอาอีกทำไมไอ้ที่รู้แล้วมันวางม่ได้ก็เพราะมันไปฝึกเอารู้นี่นหละ แต่สติจะไม่ต่อเนื่องไอสติเขามันก็เลยไม่พอดีเรียกว่าเป็นอุปทานในสติเกินเรียกว่าอีกอย่างเรียกว่าวิปัสนูกิเลสเป็นกิเลสในวิปัสนาก็กิเลสในวิปัสนานี่ก็หมายเขาว่าไปปฏิบัติเอาเนี่แหละมันเป็นกิเลสหมดเลยในเรื่องวิปัสนาะแล้วก็ไม่แหม ม, มันเรียกวิปัสนานก็ไม่ได้ก็มันก็ต้องเรียกว่าวิปัสนาละเมื่อปฏิบัติเอาแล้วมันก็ต้องหนาไปเรื่อย ยึดติดเหนียวแน่นอุปทานเหนียวแน่นในรู้ในเห็นอุปทานเหนียวแน่นในสติอุปทานตัณหาเหนียวแน่นในสมาธิอุปทานเหนียวแน่นในปัญญาในทิฏฐิในรู้ในเห็นในนึกในคิดเนี่ยก็เรียกอุปทานเหนียวแน่นเข้าไปเนี่ยมันจะเรีวิปัสสนาได้ยังไงมีตร น, นาไปเรื่อยเลย นี่เนื้อหาจริงๆแห่งพุท ธ, ธะแห่งอหรหันต์เจ้าเนี่ยคือแค่ปรองแค่วางแค่คลายจากจิตที่มีอยู่แล้วนี้คลายจากรู้คลายจากเห็นคลายออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกประเภทจริตทุกอย่างนี้เนี่โดยลักษณะที่ว่าช่างบ้างแล้วแล้วไปบ้างไม่อะไรกับอะไรบ้างนี้เนไม่ใช่ฝึกเอาใหม่นั่นแหละมันจึงเรียกว่าคลายจากทุกฉับพันุ์ ดับทุกข์ฉับพันพ้นทุกข์ฉับพันเมื่อไม่อะไรกับอะไรแล้วจากที่หนักอยู่ก็เริ่มเบาลงทันทีจิตเนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าบรรลุเรียกว่าลุล่วงไม่ข้องไม่คาจากจิตปัจจุบันที่มีอยู่ แต่นั้นสาเหตุที่องค์พุทธะได้ตัดเสียธรรมแล้วเนี่ยคนบรรลุตามอย่างง่ายดายเฉพาะหน้าเนี่ยทุกครั้งเลยเนี่ยไม่ว่ามนุษย์รู้เทวดาทั้งหลายนี่ก็พูดแต่เรื่องปองเรื่องวางทั้งนั้นแหละลูกไม่ใช่พูดแต่เรื่องให้ไปค้นหาเอาข้างหน้าไม่มีหรอกนะปองวางธาตุขันปัจจุบันทั้งนั้นเลยให้รุ่นหลังที่มันบรรลุยากเพราะว่ามันสอนให้ไปค้นหาเอาข้างหน้านัาน่นแหละ มุ่งในทำเอาเหมือนก็ทําไร่ทํานามคนละอย่างล่อกระปองทําก็ปร ง, ปรงไม่ใช่ตั้งเอาทําเอาอยุดตัวตั้งเอาทําเอาปรงการตั้งเอาทําคลายจากตัวหลงตั้งเอาทําเอานั่นเองแล้วก็เบาขึ้นเองไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละก็เบาขึ้นเองอย่างก็จะเรียกว่าบรรลุอะเรียกได้หมด พอมันคลายออกมันก็คือไม่คาก็สิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นแหละเรียกว่ามันไม่คาอยู่ในขั้นนี้ตอนนี้ของจิตขณะนี้ของจิตน่ะมันลุล่วงไปอ่ะเรียกว่าผ่านไปเรียกว่าลุนั่นเองเรียกว่าบรรลุไปแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตไม่มีการคาอยู่ในขณะจิตไหนจะจิตชนิดไหนก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วมันก็เลยมไม่คาซะเลยเลยไม่คล้องซะเองเลย ไม่คาไปซะเองเลยดังนั้นก็คลายเรื่อยๆลูกอย่าตั้งเขาใส่จิตทุกประเภทตาหูจมูกกายใจที่มีอยู่แล้วนี่อย่าตั้งเขาใส่มันหนักอยู่แล้วของหนักอยู่แล้ว โดยที่ไม่อยู่แล้วไปท่ามกลางตาหูจมลิ้กายใจเนี่ยไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราคลายออกอย่างเดียวนั่นแหละทั้งหมดของวิปัสนาละ่ะท่ามกลางอาิจตนะท่ามกลางพัรษะท่ามกลางตาหูจมลิ้กายใจที่เป็นอยู่ของกายของจิตเนี่ยคลายออกอย่างเดียวลูกเรียกว่าปลงหรือเรียกว่าวางนั่นแหละแล้วมันก็จะไม่เป็นการตอกย้ำซ้ําเติมทุกแบบเดิม ทุ ก, กับกายทุกกับจิตทุกกับอารมณ์ทุกกับความรู้สึกนึกคิดทุกกับทู้ทุกกับเห็นมันจะไม่ไปหลงตอกย้ำทุกแบบเดิ ม, ดมแล้วเนี่ยหลวงเนี่ยไม่อยู่แล้วน่ะไปเรื่อยๆ เ, เข้าเนี่ยเรื่อยๆโดยที่ไม่นี่แหละเรียกว่ามันก็ไม่เป็นตัณหาพุ่งเข้าใส่มันก็จะไม่เป็นอุปทานเข้าไปจับเข้าไปเกาะ ไม่ว่าจิตไม่ว่าสรรพสิ่งภายนอกภายในโดยที่ไม่อยู่แล้วนี่ไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการยุติตัณหาซ้อนจิตยุติอุปทานซ้อนจิตยุติโมหะครอบงมจิตเป็นประการแรกเลยส่วนชีวิตทั้งหลายก็ยังคงขับเคลื่อนไปตามปกติแต่มันไม่เหมือนกับุตรชนมันไม่บ้าเบาคอแตกไม่บ้าบินเหมือนกับุตรชนทั่วไปไม่ได้หลง แข่งแย่งกันแบบปุถุชนทั่วไปมันจะเป็นไปนแบบเรียบง่ายพอดีๆชีวิตของเหลี่ยเจ้าทหารที่ขับเคลื่อนไปเนี่ยแบบผู้สละไม่ใช่แบบผู้ตั้งเอาแข่งกันนมันจะเรียบง่ายไปเองแล้วก็ไม่เป็นไปในลักษณะของการที่จะเบียดเบียนแต่ประการใดเรียกว่าศินเต็มที่ไม่เบียดเบียนแม้แต่ในข้าศัพทก็คือไม่อุปทานด้วยไม่ตั้หาด้วยนั่นแหละ ไม่ยึดไม่ติดด้วยเรียว่าสินเต็มที่แต่ไม่ใช่ว่าศินเต็มที่นี้มันไม่ใช่เพราะว่าตั้งที่จะมีศินแต่เพราะสละแต่เพราะงดเพราะเว้นแต่เพราะปล่อยเพราะวางมันเลยกลายเป็นศินไปเองเต็มที่โดยกว่สินอริยะนี่งดของ จ, งองจงรงจงิงเว้นของจริงสละของจริงศินของจริงมันไม่ใช่แบบเอาศินแต่เพราะงดเพราะเว้นนี่แหละ เพราะสละละวางนี่แหละมันเลยกลายเป็นศีลอริยะขึ้นมามันคือการงดของจริงทางจิตเว้นของจริงทางจิตเลยลูกไม่ใช่ศีลประเภทที่ไปหารักษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรักษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรักษาเอาอะไรเนี่ย ไม่ตรงกที่จะงดจะเว้นจะปล่อยจะวางเลยเนี่ยจะไปรักษาอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นศีลโดยเชิงรูปแบบไอ้อย่างนั้นเน่ะมันเป็นศีลพตาปามได้หมดแล้วมันเป็นการยึดติดแบบงมงายมันไม่ใช่การงดการเว้นของจริงเนี่ย ถ้ามันงดมันเว้นของจริงเนี่ยมันจะเป็นศีลที่เราทั้งหมดของความไม่เบียดเบียนเลยเนี่ยลูกไม่ต้องพูดถึงเมตตาแล้วกรุณาหล้วมันเป็นไปเองหมดไม่ต้องฝึกเอาด้วยละ่ะถ้ามันไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยมัน ก, ก็ถือว่าเป็นกรุณานใหญ่หลวงแล้วมันก็เป็นเมตตาใหญ่หลวงไปเอง แต่นี้ที่มันเป็นอยู่กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ผิดศีลโดยส่วนมากเนี่ยก็ะเพาะมันเริ่มแต่มันเข้าไปยึดเข้าไปติดเนี่ยมันก็ผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมหมดแล้วเนี่ยการเบียดเบียนมันก็มีมากตามมาไม่ว่าทางกายทางจิตทางวาจาทางพฤติกรรมมันก็มีแต่เรื่องเบียดเบียนมันน่ะมันก็ผิดกันทั้งนั้นแหละลูก ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่คลายตัวมันเองไม่ปล่อยไม่วางไม่คลายในตนัวมันเองแห่งจิตนี้เนี่ยมันมุ่งเข่าใส่มุ่งเข่าใส่เนะี่ยยังไงมันก็ผิดหมดแหละมันไม่เว้นอุปทานไม่เว้นตัณหาไม่งดอุปทานงดตัณหาเสอเองมันมีแต่มุ่งเข่าใส่เนี่ยไม่คลายตัวมันเองเนี่ยมันก็เริ่มผิดศีลตั้งแต่นี้ไปเรื่อยเลยผิดศีลผิดธรรมไปเรื่อย จะเห็นได้ว่าที่ปองที่วางที่ช่างนี้มันจะไม่เกี่ยวกับอะไรและไม่เกี่ยวใครมันเป็นเรื่องของการที่มันปองมันวางมันคลายจากความเคยชินจากการเหนียวแน่นในตัวมันเองของทุกคนทั้งนั้นเลยเรียกว่าคลายใครคลายมันวางใครวางมันปองใครปองมันมันจะไม่ล้ำเส้นมันจะไม่ไปเกินกับคนอื่นเขาน nil ก็ไม่ไปเรื่อยๆไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องมันคลายจากสิ่งที่มันเหนียวแน่นอยู่นี้ของแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละท่าแต่ละขันแต่ละกายแต่ละจิตของแต่ละบุคคลทั้งนั้นมันไม่เกี่ยวการที่จะไปวุ่นวายกับคนอื่นจะได้เส้์เต็มที่หน่อยวิปัสสนาเต็มที่หน่อย มันไม่เกี่ยวที่มันจะไปเรื่องมากกับใครใครนั่นนะก็จะเป็นแบบอย่างแห่งอริเจ้าแห่งอริสงแห่งอริยธรรมเป็นแบบอย่างของผู้สละโลกเป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่วุ่นวายเดี๋ยวไอ้พวกวุ่นวายทั้งหลายมันก็ตามมันเองวุ่นวายแล้วมันเดือดร้อนมันก็จะ ตามเองหรออยู่กันแบบไม่ถูกศีลถูกธรรมมันเดือดร้อนเดี๋ยวมันก็จะตามเองอที่ถูกศีลถูกธรรมหนึ่งถูกตรงต่อการงดการเว้นจริงๆสละละวางในตัวมันเองจริงผ่อนคลายในตัวมันเองจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตามเองหมดล ยิ่งก็ไม่เลิกอีกไม่อยู่เรื่อยๆอย่าให้ไปหลงรู้หลงเห็นหลงอะไรซะก่อนอีกนะก็มาอยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยเรื่อยๆอเข้าแล้วก็ เรียกว่าจะได้บทสรุปของวิปัสสนาแบบอแบบตรงตรงแบบพ้นทุกข์จริงๆแบบหมดหนักแบบบทตึงในจิตในใจจริงๆขึ้นมาตรงตรง่อเนื้อหาวิปัสสนาของจริงซึ่งมันไม่เลือกอยู่ที่บัดหรืออยู่ที่บ้านไม่เลือกว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชอยู่ในเครื่องแบบนักบวชหรือไม่อยู่ในเครื่องแบบนักบวชก็เนื้อหาที่จะตรงต่อนิพพานอยู่แล้วเนี่ยได้เหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามแหละไม่มีอะไรที่มันเป็นข้อห้ามเลย นะขอให้ตรงต่อการที่จะช่างแล้ ว, แ ล, วแล้วไปแม่แล้วกับอะไรในตัวมันเองอยู่เรื่อยๆเท่านั้นแหละไม่คลายออกคลายออกคลายออกไม่ใช่การปฏิบัติเอาอนนนี่มันแค่คลายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเลยให้มันช่างไปเรื่อยๆเข้าไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆจิตเนี่ยวิปัสสนาเลยนะ่ยไม่ใช่ไปหลงปฏิบัติเอา แล้วต่อไปก็จะเลิกไอโมหะทิฏฐิคตินิยมประเภทไม่มีเวลาปฏิบัติเลยอะก็คิดว่าจะปฏิบัติเอาเนี่ยมันก็ผิดแล้วต่อให้มันมีเวลาที่มันปฏิบัติมันก็ผิดถ้ามาเริ่มปฏิบัติเอาเนี่ยของท่านเนี่ยมันอากาลิโกมันไม่เกี่ยวก็จะมีเวลาไม่มีเวลามันไม่เลือกเลยอะก็ไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนก็ช่างไปที่ก็ปองไปแม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆเข้า มันไม่ใช่ลักษณะที่จะไปหลงปฏิบัติเอาไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามทีแล้วไม่ต้อมาพูดว่าไม่มีเวลาเวลามีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันคตินิยมมันยังผิดอยู่มันยังคิดว่าจะปฏิบัติเอาอยู่มันไม่ใช่ไปลักษณะปฏิบัติเอาอันนี้มันเป็นลักษณะปลงวางนวิปัสสนาไม่ใช่แบบชูชอกทําเอาจะเอาอย่างเดียวตรงไหนก็ตรงนั้นแหละก็ช่างไว้ที่ ยากก็ช่างง่ายก็ช่างทุกบ้างสุขบ้างก็ช่างไปอย่างนี้เป็นต้นภาษาง่ายๆวางใจได้บ้างวางใจไม่ได้บ้างก็ช่างเนี่ยภาษาง่ายๆแล้วนี่มันจะไม่เกี่ยวกับเวลาเลยเรียกว่ า, ากาลิโกเนี่ยของจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเวลา เพราะมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปทําเอาลูกตรงไหนมันก็ช่างได้หมดแหละมันตรงนั้นแหละตรงไหนก็ตรงนั้นแหละขนาดไหนก็ขณะนั้นเลยก็ช่างได้หมดปล่อยได้หมดแล้วก็ไม่อะไรกับอะไรได้ทั้งนั้นแหละลูกไม่ต้องเลือกเวลามันไม่อยู่ตรงที่เวลาเพราะมไม่ใช่จการที่จะไปทําเอาไม่เหมือนก็เข้า เวลาเพื่อทำงานอันนั้นมันทาเอาเข้าให้ตรงเวลาออกให้ตรงเวลาอะไรพวกที่มันทำเอาทำเอามันอีกแบบหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่วิปัสนานาะทำเอาทำเอาวิปัสนาทั้นนั้นแหละคือเหมือนกับว่าที่มันหนาอยู่แล้วเน่ก็ไปทำให้มันหนามากขึ้นเอาซ้อ ล, ลงไปอีก ทีนี้ก็ให้ฉับพันอยู่เรื่อยๆเลยลูกก็นั่นแหละไม่ต้องซักก่อนก็ช่างไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆสอดคล้องกับการที่เดีใช้ลูใช้เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้ episodes, ไปซอฟไอ้ตัวหลงลูหลงเห็นเนี่ยจะจัดเนี่ยมันผ่อนคลายลงก็ช่างไปด้วยเลยปล่อยไปไม่ อ, อะไรกับอะไรไปด้วยเลยเนี่ยระหว่างใช้ลูใช้เห็นเนี่ยใช้กายใช้จิตทําหน้าที่การงานแล้วก็ตามทีเถอ่อนี่ยก็ไม่ อ, อะไรกับอะไรไปด้วยเลยเนี่ย อย่ากลัวมันจะย่อนยานแต่มันจะช่วยคลายจากความตึงเครียดให้เองจากการใช้จิตเนี่ยเพราะในโลกนี้สรุปแล้วคือไม่มีใครได้อะไรหรอกไม่มีใครยึดอะไรได้แล้วไม่มีใครได้อะไรแม้แต่หน้าทีก่การงานก็เป็นเพียงบริบทแห่งการใช้กรรมชั่วคราวเท่านั้นคนละคนถ้ากรรมวาระกรรมยังไม่หมดนี่ต่อให้ถึงวาระปลดกเกษียณแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมปลดมันต้องทําต่อไปอีกเพราะมันต้อง ทำใช้กรรม ม, มันยังไม่หมดกรรมขนไหนเขาตั้งเวลาไปแล้วหกสิบปีนี้ก็ปลดกเกษียณแล้วแต่บางคนมันยังไม่ยอมปลดเลยเพราะว่าอะไรเพราะยังใช้กรรมไม่หมดก็ต้องขอทําต่อไปเรื่อยๆนี่มันเป็นบริบทแห่งกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะลูกไอ้อย่างนั้นนะนี่จะได้ผ่อนคลายจากจุดนั้นก็ไม่อะไรกับอะไรไปด้วยนี่ทำไปด้วยกับผ่อนคลายไปด้วยไม่ได้ทำไปด้วยกับตึงเครียดไปด้วยทุกงานนะ่ะ ทำไปก็วิปัสนาไปด้วยสิก็ช่างไปด้วยไม่อะไรกับอลายไปด้วยจะได้ทําแบบพอดีพดีผ่อนคลายไปด้วยแล้วต่อไปก็หมายความว่ามันไม่ต้องมีเวลาพักหรอกเพราะมันพักในตัวอยู่แล้วอ่ะทําไปด้วยแล้วก็ไม่อะไรกับลายไปด้วยเนี่ยมันก็พักไปในตัวค่อนคลายไปในตัวมันก็ทำํำเรื่อยตลอดชีวิตนั่นแนหะไม่ต้องไปหาเวลาพักหรอก อันนี้ที่มันผ่านมามันทํางานไม่เป็นมันบ้าบาคอแตกจริงจังจึ้งจ้องต้องตั้งเกินไปมันไม่โปองไม่วางไปด้วยเลยเนี่ยมันก็เลยเหมือนก็แบกหนักตลอดในธาตุขันจิตวิญญาณแบกหนักตลอดในภาระหน้าที่เราก็ต้องหาเวลาพักอยู่เรื่อยเลยจริงๆแล้วมันไม่ต้องหาเวลาพักให้คลายในจิตในใจไปด้วยพักในจิตในใจไปด้วยนะปล o งไปด้วยลูกคลายไปด้วยจิตเนี่ยไม่ อ, อะไรกับอะไรไปด้วยสิ มันเป็นการพักทางจิตในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้อุปโลกใช้จิตแต่พอดี พ, ดพดีไม่ต้องไปคิดถึงเวลาพักเราจะพักตอนไหนเราก็แค่หมดภารกิจก็หมดแต่จริงจิตมันก็พักไปด้วยในตัวมันเองให้ไหม่อะไรกับอะไรไปด้วย ไม่ต้องไปหาเวลาหลุดแบบไหนอีกแล้วหลุดอยู่แล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วในีลูกไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ ย, รร ย, ย, เ, ยเรียกว่ามันหลุดอยู่แล้วไม่คล้องไม่คาทางจิตอยู่แล้วเนี่ยไอเนี่ยมันยิ่งกว่าหยุดพักอีกเนียมันเป็นการพักโมหะพักตัญหาพักวิทานพักกิกเลสเนี่ยมันยิ่งกว่าขอเวลาพักอีกเรียกว่ามัน พักอยู่แล้วในตนัวมันเองพักของจริงเนี่ยปอดสารจนถึงวันตายเนี่ยร่างกายแตกด่ไปแล้วก็ยังดลิบปอดได้อีกอโซ่โซ่โซโซ